เราที่อยู่ริมๆนะถ้าเปียกฝนก็เข้ามาข้างในนะมานั่งใกล้ๆกันก็ได้นะไม่ว่าหรอกฝนมันสาดไหมไม่เข้ามาในนี้เลยก็ได้มาเป็นโอกาสนะที่จะได้อยู่ใกล้ๆกันมาเข้ามาอบุญดีได้ที่นั่งแล้วก็ ให้ใจกลับมานะให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการภาวนามันไม่มีอะไรมากอนะขั้นแรกเลย ต, ต้องมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าใจลอยล่องลอยออกไปมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมมันภาวนาไม่ได้นะงั้นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้มากเลยคือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นก่อน คนในโลกนะี่แปลกไม่เคยรู้สึกตัวเนะมื่อวันศุกร์หลวงพ่อไปเทศที่โรงพยาบาลรามานะมีคุณหมอคนหนึ่งไดรู้สึกตัวเป็ดขึ้นมาบอกว่าฝึกตั้งหลายปีนะพยายามทำมาตั้งนานทำลองอย่างโน้นลองอย่างนี้พอรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาเนี่ยถึงรู้เลยว่าในโลกนี่มันไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกม่มีแต่คนหลง บอเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อพูดมาตลอดเลยว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหายากมากเลยมีพวกเราร้วนหลังๆเนี้ยได้ฟังธรรมนะหลวงพ่อพยายามสอนสอนละเอียดยิบเลยถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เยอะแยะนะพอรู้สึกตัวได้แล้วต่อไปเราก็เจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี้ยก็คือมามีสติ ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปแต่ดูด้วยจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตใจที่มีสัมมาส ม, มาธินั่นเองถ้าไม่มีส ม, มาธิที่ถูกต้องนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันภาวนาไม่ได้จริงนั้นเราต้องค่อยๆดูนะการภาวนาเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกต้องเราเดินอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางนะการภาวนาจะไม่ยากเลย แต่ว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่คนไม่รู้จักนะเป็นทางที่หายากเข้าใจยากคนทั่วๆไปมันจะรู้จักแต่ทางที่สุดตรงนะทางที่สุดตรงมันก็มีแค่สองหัอย่างเท่านะั้นย่อนไปกับตึงไปถ้าย่อนไปก็ส่วนใหญ่ก็หลงตามโลกตามกิเลสไปตึงไปก็บังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลาบากสังเกตดูนักปฏิบัตินะ บางคนบอกปฏิบัติปฏิบัติแต่ว่าขี้เกียจขี้ค้านวันวั น, วนเอาแต่หลงโลกนะอย่างนี้หย่อนไปบางคนก็เคร่งเครียดเหลือเกินนะทําอะไรก็เครียดไปหมดเลยนะจะเจริญสติก็เคร่งเครียดจะรักษาศีลก็เคร่งเครียดนะจะนั่งสมาธิก็เคร่งเครียดจะเดินปัญญาก็เคร่งเครียดซนะึงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องบังคับกายเรื่องบังคับใจนะถ้ามันหย่อนไปนะก็ลืมตัวเอง มีร่างกายก็ลืมไปมีจิตใจก็ลืมไม่มีทางพัฒนาเลยถ้าตึงไปเนี่ยร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดก็ไม่สามารถจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจตามธรรมชาติธรรมดาได้การปฏิบัติจริงง่ายที่สุดเลยนะในร่างกายในขั้นเจริญปัญญาในร่างกายเราเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งใส่มันนะ แล้วอย่าลืมมันไปถ้าเพ่งใส่มันก็ตึงไปถ้าลืมมันไปก็หย่อนไปเลยจิตใจ way, เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเราก็แค่รู้สึกความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะก็แค่รู้สึกทั้งนั้นเองถ้าเราลืมมันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นเราไม่รู้นะลืมมันไปอันนี้หย่อนไปนะถ้า จะเราไปบังคับจิตนะยวบังคับจิตจะต้องมีความสุขต้องมีความสงบต้องมีความดีนะไปข่มมันไปบังคับมันอย่างนี้ตึงเกินไปนะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะเวลาพวกเราถามส่งกันบ้านหลวงพ่อใช่ไหมที่หลวงพ่อคอยตอบใหนะ้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องแค่ทํายังไงจะปรับให้มันเข้าสู่ทางสายกลางเท่านั้นแหลนะเกือบทั้งหมดของคําถามเนะี่ยเป็นเรื่อง ที่พลาดไหมก็ไม่ตึงไปก็หย่อนไปก็มีเท่านั้นเองนะงั้วเราค่อยๆมาสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองไปอย่างเราจะรักษาศีลรักษาศีลนะถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวจิตใจเราล่องลอยไปลืมตัวเองไปอย่างนี้หย่อนไปศีลเสินหายหมดนะหรือเราข่มตัวเองมากเลยนะกลัวจะผิดศีล จะทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยครัวจะผิดศีลมากเลยนะระวังเินเกระทั่งเครียดนะอันนี้ตึงเกินไปนะมีบางศาสนานะเขาเน้นเรื่องศีลอย่างรุนแรงมากเลยเวลาเดินตามพื้นอย่างนี้ต้องถือไม้กวาดไปด้วยนะต้องกวาดไปปัดไม่ให้สัตว์มาให้เราเหยียบนะปัดออกไปปัดออกไปปัดออกไ ป, ป, ออกไปแข้งขาสัตว์อาจจะหักบ้างก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราชาวพุทธเนะี่ยท่านจะสำรวมเดินค่อยดูค่อยหลบค่อยห ล, ลีกไม่ได้ไปปัดมันนะ ถ้าถือศีลจนเครียดเนี่ยตึงเกินไปนะทำอะไรก็กลัวผิดศีลเครียดไปหมดเลยตึงไปถ้าตามใจกิเลสจนกระทั่งผิดศีลก็ไม่เป็นไรนะนี้หย่อนไปนะาการรักษาศีลถ้าจะให้เป็นทางสายกลางทางที่พอดีนะก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไว้นะมีสติไว้ได้ถ้ามีสตินะคอยรู้ทันจิตใจไว้นะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้นะ กิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราไม่ทําผิดศีลดยอัตโนมัติเรื่องง่ายๆเท่านี้แหละงั้นเราอาศัยสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเราไปในนี้การรักษาศีนก็จะพอดีไม่หย่อนเพราะกิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสครอบมามไม่ได้ไม่ผิดศีนอันนี้ไม่ย่อหย่อนแน่นอนย่อหย่อนนี่ก็คือทําเป็นว่ารักษาศีลถือศีลอารัธนาศีลรับศีนไปแป๊บเดียวนะขาดสติเดี๋ยวก็ศีนขาดนะหรือ เกรงมากนะบังคับตัวเองเคร่งเครียดมากนี่อนั้นภาวนาต่อไม่ได้คือศีลนั่นะต้องถือให้มีความสุขนะถ้าศีลนจะเป็นบาตเป็นฐานให้เกิดสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องมีความสุขที่เรารักษาศีลนั่นะก็เพื่อให้จิตใจเรามีความสุขมีความสบายนั่นแหละอย่างคนคิดจะทําร้ายเขาอะไรเงี้ยคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยจิตใจไม่มีความสุขะนะมันก็ไม่สงบ งั้นที่เราถือศีลกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อหวังว่าใจมันจะมีความสุขมีความสงบขึ้นมางั้นอย่าไปถือศีลจนกระทั่งมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะถือจนเครียดเลยนะใช้ไม่ได้นะถือมากๆแล้วก็คิดว่ากูเก่งกูดีกว่าคนอื่นนะอย่างนั้นถือศีลผิดแล้วละนั้นะเราก็ดูอย่างการรักษาศีลของเรานะก็ดูให้มันเป็นทางสายกลางจริงๆรนะิการจ ะ, จะเจริญสมาธิก็ต้องให้เป็นทางสายกลางนะ สมาธิมีหลายอย่างถ้าเมื่อไร่เราทําสมาธิแต่ใจเราฟุ้งซ่านไปนะไหลตามอารมณ์โน้นตามอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆอันนี้หย่อนไปนะไม่ใช่ทางสายกลางหรอกถ้าทําสมาธิเราก็เพ่งให้นิ่งเลยนะบังคับจิตให้นิ่งเลยกายก็นิ่งๆจิตก็นิ่งๆแข็งๆอยู่อันนี้ตึงเกินไปนะสมาธิที่พอดีๆก็อาศัยสติทําให้เกิดอีกแหลนะเราคอยมีสติรู้ทันนะเวลาใจมันฟุ้งซ่านใจมันเคลื่อนไป เรามีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งใจที่เคลื่อนใจที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลใจที่ไหลมันเป็นใจที่ถูกกิเลสผลักดันถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปดับกิเลสหรอกกิเลสดับของมันเองนะเราแค่มีสติรู้ทันใจที่ไหลไปใจเคลื่อนรู้สึกใจเคลื่อนรู้สึก ถ้าไปใจไม่ได้ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะถ้าใจไหลไปเนี่ยหย่อนไปถ้าเจตนาจะให้ตั้งอยู่นะตึงเกินไปใจเป็นบังคับใจจะแน่นๆพวกเราเวลาทำสมาธิรู้สึกแน่นไหมใครยังรู้สึกแน่นอยู่บ้างมีไหมทำเป็นไม่ยกมือเกือบทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> นม่ไปคิดว่าคนอื่นเหรอเราเองนั่นแหละเนะวลาคิดเวลาเดินจงกรมใจก็จะแน่นผิดปกติขึ้นมาหม เวลาทำสมาธิใจมันก็แน่นผิดปกติขึ้นมาแค่คิดจะรู้ลมหายใจใจก็ยังแน่นขึ้นมาได้เลยลองทดสอบดูต่อไปนี้ธรรมานาปานาสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวซิใครรู้สึกว่าใจเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนตอนก่อนที่จะไปรู้มีไหมใครรู้สึกว่าแข็งกว่าความเป็นจริงมีไหม พวกที่ยกมือรอบแรกอ่ะต้องยกรอบหลังด้วยหลายคนเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> คนนี้ที่นมมือนี่แหละพอเริ่มจะทำสมาธิก็เนีเ่ยต้อบอกว่าใจไม่ผิดปกตินะ อ, อ, อย่างี้ไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมว่าทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัตินะมันจะโน้มไปทางที่ตึงเกินไปเสมอเลยแต่ถ้าเมื่อไหรไม่ปฏิบัตินะมันจะโน้มไปทางที่ย่อหย่อนเกินไปนจะหลงไปเพลอไปนะ การจเจริญปัญญาก็เหมือนกันนะให้เข้าทางสายกลางไปถ้าตึงไปนะก็คิดพิจารณากลัวจะโง่นะพยายามจะช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาอะไรเงี้ยนะถ้าหย่อนไปก็จะบอกว่ า, วารู้ตัวอยู่เฉยๆเดี๋ยวปัญญาเกิดเองนะีห่หย่อนไปนะนการปฏิบัตินี่เราพยายามเดินเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้นะการจะเข้าสู่ทางสายกลางนะใช้สติของเรานี่นะคอยสังเกตเอา สังเกตจิตใจของเรานะถ้าเมาื่อไหร่จิตใจเราเหลอไปสรุปได้เลยว่าหย่อนไปเท่าเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจนะสรุปได้เลยว่าตึงไปนะีจะแน่นหนักหแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมๆเทื่อๆแต่โดยธรรมชาตินะคนทั่วๆไปมันจะหย่อนไปมันไหลาตามกิเลสตลอดเวลานะนักปฏิบัติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะตึงเกินไปจะบังคับกายบังคับใจนี่เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ว่าให้เราคอยรู้ทันนะเบื้องต้นตึงไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะตึงไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะเช่นต้องตั้งใจที่จะมีสตินะกระทั่งสตินะหย่อนไปก็คือขาดสติตึงไปก็บังคับตัวเองให้มีสตินะถ้าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ขึ้นมาได้นะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ขึ้นมาได้ไม่เจตนา อนี้สติที่เป็นทางสายกลางมันพอดีๆ อ, อดีไม่ได้บังคับถ้าบังคับจะแน่นๆนะถ้าหย่อนไปก็จะลืมไปเลยขาดสติไปเนี่ยค่อยๆสังเกตให้เดินเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้นะวิธีเข้าสู่ทางสายกลางไม่ใช่ทำอะไรหรอกก็ฝึกสติให้มากขึ้นมานอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่ น, นค่อยๆดูไปดูสภาวะในจิตในใจของเรานะ ถ้าขาดสติก็ก็หลงไปถ้าสติแรงไปก็จะไปเพ่งเครียดเครียดนะถ้าเราหลงไปในข้างหย่อนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตกต่ำลงของจิตลงลงที่ต่ำถ้าเราตึงไปนะแนวน้อมจะขึ้นขึ้นข้างบนนะ หลวงพ่อเคยเล่าหลายครั้งละเรื่องที่มีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราข้ามพ่วงน้ํา่วงกิเลสเนี้ยได้โดยที่เราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่นะไม่พักแล้วก็ไม่เพียรนะเทวดาฟังแล้วงง นะไม่พักเนี่ยพอเข้าใจใช่ไหมแต่ไม่เพียรแล้วทำไมมันข้ามกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่เพียรเหรอตัวนี้เทวดาง ง, งแต่เดิมเทวดาคิดว่าตัวเองก็เป็นพระอริยะพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะมาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้พอท่านตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะว่าไม่พักไม่เพียรเทวดางงก็ ล, ลดทิฏฐิลดมานะลงนะถามท่านเลยว่ามันเป็นยังไงให้ช่วยอธิบายไม่เข้าใจ ท่านอธิบายว่าถ้าท่านพักอยู่เนี่ยท่านจะจมลงถ้าท่านเพียรอยู่ท่านจะลอยขึ้นพักอยู่จมลงพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนั่นแหละเนะฉื่อยไม่ภาวนาอะไรจมลงไปไหนไปอบายธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไหลลงที่ต่ำตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหอมหวานในเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลาย ใครๆก็ชอบของหอมหวานใช่ไหมแล้วก็ชอบอะไรที่เฉพาะหน้านี่เอาไว้ก่อนได้ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะก็เลยไหลาตามกิเลสกันหมดเลยเพราะมันหอมหวานอยู่เฉพาะหน้านี้นะไอ้ส่วนที่เผ็ดร้อนในบ้านปลายก็ค่อยไปว่ากันทีหลังโดยธรรมชาติเนี่ยใจมันก็รักสุขรักสบายรักอย่างน้นรักอย่างนี้ที่มันดีเาะนั้นะใจเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไหลาตามกิเลสไหลลงที่ต่ำตลอดเวลาเลย งันยิ่งพวกเรานะยิ่งภาวนาช้าเท่าไหร่เนี่ยใจเราไหลลงข้างล่างไปมากมากขึ้นเรื่อยๆนะงั้นยิ่งภาวนาเร็วนี่ใจยังไหลลงไปไม่มากนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยภาวนาจะยากขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ได้พูดให้คนเท่าคนแก่ท้อใจนะคนอายุมากภาวนาเก่งๆก็มีแต่ต้องเด่นเดี่ยวมากเลยต้องกล้าหาญต้องต่อสู้มากเด็กๆอะไรเงี้ยมันจะภาวนาง่ายๆไม่มีอะไรมาก ถ้ค่อยๆสังเกตนะท่านนบอกไว้เลยว่าถ้าเราพักอยู่คือเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเราจะจมใจตามกิเลสไปเรื่อยก็ไปอาบายนะไปเป็นเ ป, นเปนรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัชานอะไรงั้นไปตามกําลังของกิเลสแต่ถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นลอยขึ้นไปไหนก็เป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นผลมไม่ไปนิพพานนะไปนิพพานไม่ได้ ยังมีการจมมีการลอยใช่ไหมจมกับลอยเป็นของคู่กันรับใดที่ยังติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่นะเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมอย่างเงี้ยไม่มีทางนิ้ผ่านหรอกนะนี่ผ่านมันอยู่กลางๆงเป็นทางสายกลางนะถ้าจมไปก็เคลื่อนไหวไปนะสร้างภพสร้างชาติฝ่ายต่ําลอยก็ไปสร้างภพสร้างชาติฝ่ายสูงขึ้นมาก็นะาใช้ไม่ได้เทวดาฟังนะเทวดาก็ได้บรรลุธรรม พวกเราฟังเหมือนเทวดานะก็ไม่บรรลุนะแล้วบารมีเราน้อยกว่าเทวดาองค์นั้นนะเดี๋ยวเราก็ฟังมากๆหน่อยนะแล้วก็ดูของจริงให้เยอะๆค่อยดูของจริงไปเรื่อยๆนะการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีเท่านี้เองใช้กี่วิธีกี่วิธีมันก็หนีหลักกันนี้ไม่พ้นนะ จ้าจับหลักอันนี้ให้แม่นแลก็จะพบว่าการภาวนาเนี่ยวิธีการเนี่ยทำได้หลากหลายแต่หลักนี้มีอันเดียวกันก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักมีเท่านี้เองนะแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยหลากหลายมากเลยบางคนเขาทาสมาธิก่อนนะมาเจริญปัญญาทีหลังบางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิที่ละเอียดสมาธิขั้นอัปปนาเนี่ยเกิดทีหลังนะ แต่ตอนเจริญปัญญาเนี่ยต้องมีสมาธินะไม่มีอย่างน้อยต้องมีคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะเนี่ยอันนี้ต้องมีถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักปฏิบัติรุ่นโบราณหน่อยนะรุ่นเก่าๆหน่อยจะเชื่อเลยว่าต้องเข้าฌานให้ได้สั ก, ก่อนถ้าเข้าฌานไม่ได้แล้วเจริญปัญญาไม่ได้นะคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คว จ, จริงสอนถูกตอบถูกเหมือนกันพระเจ้าก็สอนอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนแค่นี้นะท่านหลากหลายกว่านั้น ท่านเป็นธรรมราชานะท่านเป็นพระกวะโตผู้จำแนกแจกธรรมธรรมมของท่านน่าหลากหลายไม่ได้แคบๆว่าต้องไปทําสมาธิให้ได้ทุกคนหรอกเราถึงจะมาเดินปัญญาบางคนจะเดินปัญญาก่อนนะสมาธิขั้นละเอียดขั้นอ่างพนาสมาธิเกิดทีหลังบางคนเนะี่ยชำนิชำนาญ น, นะในการทําสมาธิด้วยชํานาญในการดูจิต ด, ด้วยพวกนี้จะสามารถทําสมาธิและปัญญาควบกันได้นะต้องเก่งในเรื่องการ ทำสมาธิแล้วเก่งในเรื่องดูจิตนะถ้าเก่งในเรื่องดูกายเนี่ยไปเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้เพราะปัญญาในสมาธิน่าจะดูความเกิดดับขององค์ฌานเนี่ยมีตั้งหลายวิธีนะสเส้นทางแต่ว่า3มเส้นทางเนี่ยใช้หลักกันเดียวกันนั่นเองคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แต่พวกหนึ่งเนี่ยไปทําสมาธิก่อนถ้าจิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาแล้วนะแบบแข็งเข้มแข็งอยู่ได้นาน เนี่ยเข้าอับปนาสมาธิออกมาเนี่ยผ่านฌานที่2แล้วเนี่ยตัวรู้จิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่งั้นเลยอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะอยู่ได้หลายๆวันเลยพอจิตตัวรู้เด่นดวงอยู่อย่างเงี้ยเวลาจเจริญปัญญาจะไปดูจิตเนี่ยดูไม่ได้นะมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเราะั้นถ้าภายผ่านฌานมาเนี่ยต้องมาดูกายหรือดูเวทนาในกายนะถ้าดูดูอันนี้ถึงจะได้มาดูกายเนี่ยดีที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าพวกไหนทำสมาธิมากนะคนไหนทำสมาธิมากนะออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเดินปัญญาด้วยการดูกายไม่ได้ดูกายทายําไงมีสติรู้กายตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิอยู่นั่นเองนะถ้าคนไหนจะเจริญปัญญาก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะขั้นแรกเลยต้องต้องมีสมาธิเบื้องต้นนะคือคณิกาสมาธิซะก่อน วิธีฝึกก็ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งพุทโธเพ่งความว่างก็ได้หรือรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปคิดนะก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันอย่างนี้นะขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปใส่มืออยู่เพ่งมืออยู่ก็รู้ เดินจงกลมจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าก็รู้แม้กรรมฐานอะไรก็ได้มันก็อยู่ในหลักเดียวกันนะไม่หนีไปจากหลักอันนี้หรอกนะพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนะสติรู้ทันปั๊บความเคลื่อนจะดับจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแต่อยู่ได้ชั่วขณะเท่านั้นอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกเคลื่อนอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นมาอีกนี่พอเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ถี่ีถขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจนะ เหมือนกับว่ารู้ตัวได้ต่อเนื่องมันจะมีคำว่ารู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนถ้าต่อเนื่องขึ้นมาความจริงมันคือเกิดดับเป็นขณะขณะขณะแต่ว่ามันรู้สึกได้บ่อยหลายแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยผู้ปฏิบัติคนนั้นจะรู้สึกว่ามันเหมือนรู้สึกได้ทั้งวันเลยอาศัยความรู้สึกตัวอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปนะ แ, ล แ, ลแล้วก็ไม่ได้บังคับไว้ด้วย นะแต่ถ้าจงใจจะให้จิตตั้งมั่นนะไปดึงบังคับจิตนะจิตจะแข็งไปเลยไอ้นี้ตึงเกินไปนะแต่ถ้าเราจิตมันเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งโดยที่ไม่ได้บังคับนะอันนี้นจะตั้งมั่นได้พอดีเป็นทางสายกลางได้พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ใช้หลักเดิมอีกแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะถ้าทําสมาธิมาด้วยวิธีนี้นะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแหล ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรเด่นก็รู้อารมณ์อันนั้นนะอย่างคนส่วนใหญ่ที่เรียนตามที่หลวงพ่อสอนพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกใช่จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเพราะเราฝึกมาแนวที่ว่าจะใช้คณิกาสมาธมิเป็นขณะขณะ น, นี้แหละตรงที่มันเป็นขณะขณะ น, นี่ือสติมันฉลบไปรู้กายนะใจถ้าตั้งมั่นอยู่ก็เห็นกายไม่ใช่เรานะตรงที่สติมันฉลับ ไปเห็นความสุขความทุกข์นะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะจะสะติไปเห็นกิเลสเข้านะใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็เห็นกิเลสไม่ใช่เราอีกเนะี่ยมันจะเห็นตัวเนี้ยได้ชัดนะได้รู้ได้ทางกายทางใจถ้าฝึกมากๆเนี่ยกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวายัางรู้เลยใครใครทำได้บ้างแล้วใครรู้สึกตัวได้บ้างตอนนอนไม่ได้ตลอดทั้งคืนนะนะเป็นช่วงๆรู้สึกหมหยกมือหน่อยซิมีไหม โ อ, อ้ยนะอย่างนี้แสดงว่าขยันภาวนานหัดเจริญสติอยู่ธรรมดานี่แหละนะถึงเวลาหลับนะมันยังทําเองเลยเพราะงั้นถ้าฝึกจนถึงขนาดหลับแล้วสติเกิดได้เนี่ยนะอย่า ก, กลัวเลยนะถ้าจะตายตายดีไง่าๆเลยตายดีเพราะอะไรเวลาเราจะตายนีมันจะมีนิมิตนิมิตนั้นก็จะคล้ายๆความฝันนะจะฝันไปถึงอนาคตที่ที่เราจะไปเกิดก็ได้นะฝันไปเห็นต้นนิ้วกระทะทองแดงนะ พใจมันเห็นปุ๊บใจมันกลัวนะสติจะระลึกเองเลยความกลัวขาดสะบั้นนะนรกนั้นหายไปเลยเพราะสติเกิดสติเกิดเมื่อไหร่นะไอสิ่งที่ไม่ดีมเกิดไม่ได้เราเพ้าจิตเป็นกุศลไปแล้วนะหรือบางคนที่มันมีนิมิตเคยทํากรรมอะไรซ้ำซากอย่างเช่นเชือดคอไก่ทุกวันเลยพอถึงเวลาจะตายนะก็เห็นไก่ถูกเชือดคอเชือดไปเชือดมาตัวเองก็โดนด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นนิมิตพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บ ถ้าเราเคยฝึกสติเราชนานาญนะนี่จเห็นได้จิตตกใจขึ้นมากําลังจะถูกเชื่อดแล้วจิตตกใจแล้วเนี่ยสติดิดผางขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ตกนรกละนะจิตไม่ไหลไปตามนิมิตอ น, นั้นละหรือบางทีก็เห็นอุปกรณ์ในการทําชั่วนะเห็นปืนเห็นอาวุธอะไรที่เคยเอาไปทําร้ายคนอื่นนะจิตใจเศร้าหมองจิตใจโกรธแค้นจิตใจกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูดเราตกนรกไปนะ ตรงที่นิมิตมันเกิดนะนิมิตไปเห็นสิ่งที่เราจะไปเกิดก็ได้ที่ที่จะไปเกิดใหม่ก็ได้นะเห็นกรรมที่เราเคยทําจนชินก็ได้นะหรือเห็นอุปกรณ์ในการทํากรรมที่เคยทํามาจนชินก็ได้อนี่นิมิตเวลาที่จะตายจะมีแบบเนี้ยแล้วจิตมันจะเข้าไปจับถ้าเป็นนิมิตที่ดีนะก็ไปสุขตินิมิตที่เร็วก็ไปทุคติแต่ถ้าเราฝึกจนจิตใจชํานาญขนาดฝันร้ายปุ๊บสติเกิดปั๊บเนี้ยนะอย่าไปกลัว แต่ว่าห้ามไปทำชั่วนะถ้าทาชั่วเดี๋ยวสมาธิเราเสื่อมคุณงามความดีเราเสื่อมฝันร้ายเลยกระโดดเข้าไปใส่ไปเลยคราวนี้นะถ้าเราฝึกจนกระทั่ทงฝันขึ้นมาแล้วสติยังระลึกได้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องกลัวตกนรกละไม่ต้องกลัวไปอาบาัยนะนั้นขยันภาวนาไว้ขนาดไม่ได้พระโสดาบันหรอกได้ขนาดที่ว่านี้นะก็ไปได้ดีละในตำราเขาพูดถึงคาว่าจูลโสดาบัน พระจุลัสโดาบันเนี่ยในตำราบอกว่าเป็นคนที่ได้สัมมาสนญาณ น, นะสัมมาสนญาณก็คือการที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะว่าร่างกายเมื่อก่อนหน้าตาแบบหนึ่งร่างกายเดี๋ยวนี้แบบหนึ่งเห็นว่าจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเนะจิตใจแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยคือไม่ได้เห็นลงปัจจุบันนะจะเห็นด้วยการเปรียบเทียบเอาเนี่เรียกว่าสัมมาสนญาณ น, นะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆนะีคนที่จะปิดอบายได้1ชาติเนี่ยนะ คือคนที่สติมันเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดนี่แหล ะ, ะค่อยๆฝึกให้มากเลยตอนนี้มิตไม่ดีเกิดปุ๊บสติเกิดนะอันนี้เราจะซ้อมได้นะเวลาฝันร้ายพวกเราใครยังฝันร้ายบ้างยกมือสิยกมือเลยใครยังมีความฝันร้ายบ้างแล้วในฝันร้ายแล้วคนไหนมีความรู้สึกขึ้นมาได้บ้างยกสิมีนะโอ้ได้เยอะนะค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหน่อยนะไม่ใช่ฝันร้ายแล้วก็โอ้ตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกพลักๆนะ สยดสยองหันซ้ายหันขวานึกว่าเขายังไล่วิ่งไล่ฆ่าอยู่อะไรเงี้ยนะงั้นะสติมันอ่อนไปเนี่คยค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปได้ถ้าฝึกไปเรืยได้นะต่อไปก็สบายขึ้นสบายขึ้นนี่หลวงพอ่อไปเทศเรื่องอะไรเนี่ยเทศไปเทศมาทำไมมันมาออกเรื่องนี้ <c oughs> สนใจใช่ไหมล่ะ <c oughs> ชอบนะ <c oughs> ฉนั้นหัดนะหัดสติให้มากจนกระทั่งร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้โดยไม่เจตนาจะรู้ใจเราเป็นคนดูนะใจจะเป็นคนดูได้อาศัยการซ้อมทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอารมณ์ก็รู้ฝึกอย่างนี้นะส่วนกรรมฐานสายที่3เนี่ยใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะถ้าใช้สมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยจะดูเข้ามาที่จิตอันเดียวนะ ถ้าทำสมาธิก่อนนะออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาเนี่ยให้มาดูกายนะถ้าทำคณิกาสมาธินะแล้วก็รู้สึกตัวก็เจอริญปัญญาไปเลยนะแล้วก็สมาธิลึกๆจะเกิดทีหลังพวกเนี้ยดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งจิตอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกันเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตนะแต่ถ้าทำชานนะทำชานลึกลงไปเข้าชาญออกเข้าเข้าออกออ ก, ออกเรีนชนานาญเป็นวัตถี คำว่าวัศสีในการทำฌานเนี่ยมีสข้อนะมีวัดสีข้อเดียวยังทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ไม่ได้ต้องทำได้ครบสข้อถึงจะเจริญปัญญาในสมาธิได้ข้อที่1ชําชำนาญในการเข้าสมาธิพวกเราเข้าสมาธิใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินกลั้นใจทีเดียวควรจะเข้าได้แล้วน ะ, ะถ้า <c oughs> อย่างเงี้ยอย่าไปคุยเลยเลือกอย่าไปท ปัญญาในในฌานนะยังไม่มีวัตสีในการเข้าสมาธินะเขา้าเข้าสมาธินึกจะเข้าก็เขา้เขาเนี่ยต้องเข้าให้ได้เร็วนะต้องชํานาญในการส่งอยู่ไม่ใช่เข้าปุ๊บก็เด้งเข้าปุ๊บก็เด้งพวกเราสังเกตไหมบางคนเวลานังน่งนั่งพจิตลวมก็เด้งเลยจิตจะลวมไปปุ๊บก็เด้งจิตจะรวมปุ๊บก็เด้งไม่ชํานาญในการส่งอยู่นะไม่ส่งอยู่แล้วจะไปเจริญปัญญาในสมาธิได้งไงมันเด้งออกจากสมาธิไปแล้ว มันะต้องชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออกออกก็ต้องชำนาญ น, นะไม่ใช่ไปเข้าแล้วก็ค้างออกไม่ได้นะคนมาเรียกว่าไฟไหม้บ้านออกไม่ได้นะไม่ไหวนะนะต้องชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการออกและตัวสุดท้ายนะต้องชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานในสมาธิใชไหต้องมีความชำนาญ น, นะมันถึงจะ จเจริญปัญญาโดยไม่เจตนาจเจริญไดนะ้ถ้ายัางเจตนาจเจริญอยู่นะไม่ใช่ของจริงอะ่ะยังจงใจยัมีโลภเจตนาอยู่งั้นถ้าคนไหนจะเดินแนวที่3นี้นะถ้าทำสมาธิพระจิตรวมลงไปเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานนะจิตเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีนะหรือจิตตะกี้เนี่ยเข้าไปจับปฏิภาคนิมิตมีวิตกวิจาร์นะเคล้าเคลีย อ, อยู่กับปฏิภาคพอ ร, รู้ทันวิตกวิจาร์ดับนะ เห็นวิโต ว, วิจารณะเกิดแล้วก็ดับไปจิตมีปีติสติระลึกรู้ปิติปิติดับปุ๊บเกิดความสุขเด่นขึ้นมานะสติระลึกรู้ความสุขความสุขดับปับ๊บลงไปเกิดอุเบกขาเด่นขึ้นมานะาลึกลงไปกว่านั้นร่างกายหายไปเลยลเข้าไปอรูปเข้าไปในแนวอรูปเนี่ยบางทีก็มันก็ไปเดินปัญญาในอรูปได้นะก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในขึ้นมาได้อีกนะบางทีเป็นอรูปที่จิตไปจับที่ความว่างบางทีจิตทวนเข้ามาจับตัวรู้นะ ตรงที่จิตไปจับความว่างนี่เรียกอากาสานัญจา ย, ยตนะจิตทวนเข้ามาจับตัวรู้เรียกวิญญาณัญจา ย, ยตนะตรงที่ไม่จับทั้งความว่างไม่จับทั้งตัวรู้นี่ก็ไม่จับอะไรเลยเรียกอากินจัญญาญตนะนี่จิตมันจะเปลี่ยนนะถ้าเราสติสมาธิปัญญาเราพอนะเราไปเดินวิปัสสนาในฌานได้กระทั่งอรูปฌานนะจะต้องชํานาญจริงๆในตําราเนี่ยพูดบอกว่าอารูปฌานที่สูงที่สุดนัชื่อเนวสัญญานาสัญญายาตนะ เกือบจะไม่มีสัญญาเกือบจะไม่มีการรู้สึกเลยนะบอกว่าพระอริยะบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตต้องอริยะบุคคลด้วยนะที่ชํานาญในการดูจิตเนี่ยถึงจะไปเจริญปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนาได้นะแต่อย่างพวกเราถ้าชํานาญในฌานและชํานาญดูจิตยังไม่ได้เป็นพระอริยเนี่ยเราทําได้เจริญปัญญาในฌาน 1-7 ได้ที่8ยังไปไม่ไหวนะมันละเอียดเกินแต่ว่าไม่ว่าเราจะใช้ สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันนี้ไม่พ้นหลักอันเดียวกันนะคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะอยากทำสมาธิออกมาแล้วจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูนะอย่างนี้ก็เป็นอันหนึ่งไหมก็มีสติรู้กายตามความเป็นจริงเห็นโดยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนดูอยู่นะตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้เจตนาให้ตั้งนะ มันตั้งขึ้นมาได้เองตรงที่เรารู้ทันว่าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนมันตั้งได้เองนะนะหรือเราทําฌานมานะพอผ่านฌานที่สองเนี่ยจิตจะทรงตัวเด่นดวงอยู่งั้นเลยเวลานึกถึงตัวรู้ขึ้นมาทีไรนะจิตจะตั้งมั่นได้ทันทีเลยนะง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าไม่ไปทําฌานซ้ำนะนานนานไปก็เสื่อมเสื่อมได้อีกตัวที่จิตที่ตั้งมั่นแบบนี้เพราะฉะั้นจะใช้ สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันก็หนีไม่พ้นหลักที่หลงวงพ่อบอกก็มีสตินั่นเองสติรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิอยู่นี่นะพงั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกวิธีก็ค่อยๆสังเกตตัวเองเรื่อยๆนะขั้นแรกเลยถือศีล5สรุปนะขั้นแรกถือศีล5ไว้ก่อนนะถือศีล5้าไว้ทุกวันทุกวันนะใจเราจะค่อยมีความสุขมีความสบายพอนึกถึงว่าเราได้ถือศีลเนี่ย มันอิ่มอิ่มใจใอิ่มโ饱อิ่มใจจิตใจมีความสุขจิตใจจะมีความสงบง่ายถ้าเราถือศีลนะเราจะสงบง่ายถัดจากนั้นเราก็ทําสม า, ธ, สมา ธ, มธิฝึกสมาธิวิธีฝึกสมาธิถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ฝึกสมาธิชนิดพักผ่อนสมาธิชนิดสงบนะควรจะให้ได้สมาธิทั้งสองแบบนะถ้าเราได้สมาธิทั้งสงบและสมาธิชนิดตั้งมั่นอ่ะจะดีที่สุดเลยหลวงปู่เทศท่านเรียกสมาธิ2 อ, อย่างนี้ สมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเรียกว่าฌานนะและถ้าภาษาทางปริยัติจะเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานจะสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยหลวงเทศท่านเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าทางปริยัติเขาจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะเป็นฌานฌานได้ถึงฌาน8เท่าๆกันแหะแต่ว่าอันนึงเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันนึงจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะเนี่ยเราต้องฝึกถ้าเราต้องการพักผ่อนนะ เรายังฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วพักผ่อนไม่เป็นนะเราก็จับที่อารมณ์ไปก่อนเช่นเราจับอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปรู้พุทโธพุทโธใจหนีเรารู้นะแล้วก็ใจเราอยู่ที่พุทโธรู้ลมหายใจไปใจหนีไปก็รู้ใจไปจับอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับลมหายใจลมจะค่อยตื้นตื้นกลายเป็นแสงนะให้จิตอยู่กับแสงไปนี่จิตไปอยู่ที่อารมณ์นะจะได้พักผ่อนแต่ถ้า เราทำอย่างนี้ไม่ไม่ไหวนะถ้าอยากพักเนี่ยหลวงปู่เทศท่านสอนอุบายอุบายนะไม่ใช่หลักนะอุบายแทกติกแทกติกที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างรวดเร็วนะเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆเนี่ยท่านสอนบอกให้ลองกลั้นลมหายใจดูกลั้นลมหายใจแล้วก็จับอยู่ที่เอาสตินะจับอยู่ที่ความรู้สึกนิ่งๆอะ่ะเอาลองดูไม่ต้องกลั้นนานเดี๋ยวขาดใจเอาลองสักนิดหน่อย กลั้นใจแล้วก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแล้วพอกลั้นไม่ไหวก็หายใจต่อนะลืมตาไม่ต้องทำต่อนะเดี๋ยวติดเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆนะทำงานเครียดๆนะหรือกำลังจ ะ, ะเผชิญอันตรายเช่นเจ้านายจะเรียกไปด่านะตั้งหลักไวนะ้ถ้าแต่ว่ามีเคล็ดลับอีกอันนะ ถ้าเจ้านายจะเรียกไปด่าเนี่ยทําอย่างนี้เสร็จแล้วให้ต่อด้วยการเจริญเมตตานะสัตว์ทั้งหลายเ ป, เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้านายจะเรียกไปด่านะเจอหน้าปุ๊บว่าจะเรียกมาเพิ่มเงินเดือนให้เนะพลอพูดไปอย่างนั้นก็มีนะเ <c oughs> อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้ฝึกให้ไปสะกดจิตคนอื่นนะถ้าทําอย่างนั้นเร็วเร็วมากเลยสะกดคนอื่นเนี่ยทาให้เขาพาวนามไม่ได้ พวกที่ถูกสะกดจิตจะภาวนาไม่ได้นะสติมันจะอ่อนเสียไปเลยนะงนั้นเราไม่ห้ามสะกดจิตคนอื่นเด็ดขาดเลยแห่เมตตาเนี่ยถ้ารุนแรงมากๆนะแล้วเจาะจงลงไปนะหรือถ้ากลุ่มเนี้ยแผ่แรงๆเานะ็นจะสะกดเลยนะครอบเลยนะพวกเราต้องระวังเหมือนกันคนบางคนมันเก่งนะสะกดทีงเยอะๆได้นะต้องระวังทั้งพระทั้งโยมมีทั้งนั้นแหลนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปลวกเขาสะกดนะมีสติไว้มันสะกดเราไม่ลงหรอกถ้าเรามีสติ แม้สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องนั้นถ้าเราต้องการสงบนะให้จิตจับอยู่ในรมันเดียวนะถ้าต้องการแบบนิดๆหน่อยๆแบบฉุกเฉินลดจากว้าแล้วกำลังจะตายแล้วกลั้นใจปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาไดนะ้จับที่ความรู้สึกว่างๆไวอันนี้เป็นอุบายนะถ้าหลักนี่ต้องไปทำชาญมาตามลำดับในจิตจะดีอันนี้ใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราว หรืออย่างถ้าเราทําสมาธิอะไรไม่เป็นนะสวดมนต์ไหว้พระไปจะเจริญเมตตาไปเรื่อยนะนึกในใจไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําแล้วเถิดเนี่ยนึกซ้ําไปเรื่อยนะใจจะค่อยๆเย็นค่อยๆได้สมาธิอย่างเนี้สมาธิชนิดสงบนะเอาไว้ทําไว้พักผ่อนจิตใจจะดีสุขภาพจิตสดชื่นแต่ถ้าทําผิดจะบ้านะ ทำผิดไปเข้นตึงเกินไปเนี่ยจะบ้าน้ำบังคับจิตให้นิ่งๆิ่งนิ่ะเครียดจัดจัดบ้าไปเลยนะนั้นทําให้มันสบายให้มันผ่อนคลายมันได้พักผ่อนสมาธิอีกอย่างหนึง่งเอาไว้เดินปัญญาให้สมาธิที่จิตอยู่ที่จิตอันนี้อาศัยที่ว่าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกบ่อยๆเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้นะไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานจะได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเน ก, นกับตัวนะเนี่ยฝึกนะรักษาศีลไว้แล้วก็มาฝึก จิตให้มันมีสมาธิได้2 อ, อย่างดีที่สุดนะเอาอันนึงเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อยู่กับโลกเอาไว้ทําให้จิตมีเท่ามีแรงอันเนื่อไว้เดินปัญญาจะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยเอาไว้เดินปัญญานะจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่จิตแยกออกไปกันแตกออกร่างกายนะขันห้าในนะี้แตกออกเป็นส่วนๆจะไม่ใช่เราแลยจิตจะเป็นแค่คนดูอยู่ฝึกจนกระทั่งจิตเป็นคนรู้คนเห็นนะฝึกอย่างนั้น แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็จเจริญปัญญาไปนะใครถนัดจเจริญระดับไหนก็เอานะเก่งสมาธิออกจากสมาธิให้ดูกายนะถ้าอยู่กับโลกของเราอย่างนี้น ะ, จะเจริญแค่ได้แค่ว่าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยดูมันทั้งกายดูมันทั้งจิตนะมีร่างกายเด่นขึ้นมาก็รู้ที่กายจิตมันเด่นขึ้นมามันก็รู้ที่จิตเราเลือกไม่ได้สติมันเลือกของมันเองนะแต่ถ้าชำนี้ชำนาญในเรื่องสมาธิอนะต้องไปดูจิตล้วน นะดูกายไม่ได้เลยเพราะดูกายปุ๊บจิตถอนออกจากสมาธิเลยนะนี่มหลายอย่างนะแต่มันก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหนะวังว่าคงจำได้นะประโยคนีนะ้ถ้าจะให้จิตสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวงเล็บต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส น, ะนนะีจะได้สมาธิมันมีเคล็ดนิดเดียวแหลนะ อยสมาธามีทั้ง40วิธีนะก็เคล็ดลับมันก็มีนิดเดียวประโยคเดียวนั่นแหละคือน้ําจิตที่อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะจะเดินวิปนะัสสนาณะทั้ง3แนวทางนะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานําสมาธิสมาธิปัญญาควบกันนะหรือจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพวกเราทําให้่อยได้หรอก นะพวกที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังนมันจะไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงมันจะตึงเกินไปอย่างเวลาเราจะดูท้องผองยุบในะใจก็แน่นขึ้นมาแล้เวลาจะเดินจงกรมใจก็แน่นขึ้นมาลวเวลาจะนั่งสมาธิใจก็แน่นขึ้นมาลอันนี้ไม่ตามความเป็นจริงแล้วนี้ตึงเกินไปนะถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจก็หย่อนไปนะถ้าแน่นขึ้นมาหนักขึ้นมาอันนี้ตึงเกินไปนะพอรู้ทันก็ค่อยๆคลายออกไปซะนะพอไหวไหม รู้เรื่องไหมหวังว่ารู้เรื่องนะเพราะหน้าตาสดใสกันส่วนใหญ่ตอนมาสอนที่นี่ทีแรกนะหลวงพ่อก็รู้สึกอืไม่น่ามาเลยดําปีเลยหาคนรู้สึกตัวก็หาไม่ค่อยจะได้นะมีแต่พวกเพ่งเอาเพ่งเพงเพ่ ง, พงมาถึงวันนี้เพะเราเปลี่ยนไปมหาศาลเลยใครรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วบ้างรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไป ฝึกนะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเราอย่างรวดเร็วไม่เนิ่นนานนะอย่ไม่นานก็เปลี่ยนเร็ววันนี้เท่านี้ก็พอนะมรดการหลวงพ่อค่ะ ม, มีปัญหาว่านั่งสมาธิเราชอบฟุ้งอะค่ะอย่างบางทีก็ฟุ้งไปคิดแล้วก็บางทีก็ฟุ้งไปทางแสงทางเสียงที่เข้ามาค่อนข้างจะสะลลับไวมากอะค่ะไม่ใช่ชอบฟุ้งหรอก ชอบสงบต่างหากนะหนูไม่ได้นั่งสมาธิเราชอบฟุ้งแต่หนูอยากจะสงบใจฟุ้งแล้วมันําคาญนะพยายามไปบังคับมันนะมันข่มใจมากไปมันจะเครียดนะเรีว่าตึงเกินไปเพราะฉะั้นต่อไปนี้นั่งสมาธินี่สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะแต่ว่านั่งทําไปถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าทําได้อย่างนี้แป๊บเดียวก็สงบ พ ร, พรอะไรเพราะใจสบายแต่ถ้าใจฟุ้งแล้วเกียดเกลียดมันอยากสงบนะรักสงบเกลียดฟุ้งแหละไม่ใช่ชอบฟุ้งหรอกนะถ้าใจเป็นอย่างนั้นนะใจไม่เป็นกลางไม่เข้าทางสายกลางไม่สงบง่ายนั่นหนูไปรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสงบก็รู้นะไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบหรือว่าปฏิบัติบูชาพระนะถ้าทําได้อย่างนั้นไม่นานก็สงบ เลียนถามอีกนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าทุกวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยควรจะเป็นนักปัจจุบันคือ น, นั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกได้อันนี้เหมาะกับตัวเองถ้าอชอบนั่งสมาธิแต่ว่ามันจะสงบยากนะโดยธรรมชาติของจิตนะช่างคิดนะช่างคิดมากเลยค่ะเป็นคนช่างคิดคแล้วมันผสมผสานรักสุกรักสบายรักสวยรักนําก็แรงด้วยเนะจ้าความคิดเจ้าความเห็นไหมมันก็แรงอีกเนาะ เพระาะงั้นต้องสู้ตายแล้วรอบนี้อย่างนั้นหรือว่าจะไปเดินจงกรมดีคะหลวงพ่อไม่เหมาะหนูคิดว่าจะไปเดินจงกรมเพื่อจะให้มันดีใช่ไหมใช่ค่ะเพ่จะให้สุขเพื่อจะให้สงบใช่ไหมเพราะงั้นไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินนะคิดแต่ว่าเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสงบก็เดินฟุ้งซ่านก็เดินสงบก็นั่งฟุ้งซ่านก็นั่งถ้าวางใจตรงนี้ได้นะไม่นานก็สงบหอก ok. แต่ถ้าวางใจไม่ถูกไปเดินจกงกรมยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอ<เ>ีกเหลืยโมโหชีโมโหหรอกค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะให้หลวงพ่อตรวนให้หน่อยว่าที่หนูปฏิบัติภาวานามาถูกต้องแล้วหรือเปล่าเคยได้ยินไหมปัจจตังเอธิตาโปวินยุหีต้องรู้ด้วยตนเองนะ สังเกตเปล่าว่าเดี๋ยวนี้กระตก่อนเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมสังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไปอสังเกตไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยกับจิตเนี่ยคนละอันแต่กลัวว่าจะเป็นการคิดไปเองอ่ะไม่ได้คิดไปเองนะไปทําอีกทําถูกแล้วค่ะแล้วมีสิ่งไหนที่ต้องแก้ไหมคะแก้ยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะไม้ําจะหนีไปนานการมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้จิตหนีไปเลย แต่ว่าเพื่อว่านี้เราจะได้รู้เร็วๆค่ะแล้วก็มีเห็นความอยากไหมอย่างมีความอยากพูดเงี้ยมันจะดันขึ้นมากลางหน้าอกนะอจะเหมือนจะเห็นไม่ทันนะคะไม่ทันนะถูกแล้วมันต้องเกิดไปก่อนแล้วถึงจะรู้กิเลสเกิดไปก่อนสติถึงจะระลึกรู้นะเป็นปกติอันนั้นแหละถึงจะถูกแล้วก็มีคําถามนึ่งค่ะคือ พระอรหันต์ที่ดับขันนิพพานแล้วอ่ะเป็นอนัตตามีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวตนใช่หรือไม่คะพระอรหันต์ที่มีร่างกายอยู่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันแนหะค่ะแต่คือที่ดับขันไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะตัวตนไม่มีมันไม่มีอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยของหนูเองก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไระทําไมจะไปเกณฑ์ว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วมีตัวตนลนะ่ะอ๋อป่าก็คือมีคนเขาฝากถามมาอ๋อ ขอบพระคุณค่ะการมห ก, การมเจขาหลวงพอ่อยกไหม่ียกใหมคือหนูอยากจะถามว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติอะค่ะมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าคะเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมัน <c oughs> จะมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะไปนะเป็นเรื่องธรรมดาให้ปฏิบัติไปเถอะของหนูก็ค่อยๆสังเกตไปร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะจิตก็เป็นอีกอันหนึ่ง ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็แยกออกไปใจเราเป็นคนดูมีความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความสุขไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าอะไรเงี้ยค่อยๆ่ อ, อหัดแยกไปด้วยนะแล้วค่อยมันจะเห็นเอง่ทุกอย่างทุกอย่างนั้นอนะ่ะพอแยกออกไปแล้วตัวเราหายไปตัวเรามันมีขึ้นมาเนี่ยเพราะขันมันมารวมตัวกันก็เลยไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเ น, นในตำรานะเาบอกว่าสิ่งที่ปิดบังอนัตตาเนี่ยคือคณะ คอรักังนอนูคณะคณะคือการที่ขันมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นแต่เรามาพาวนาจนขันมันแตกขันมันกระจายออกไปแล้วแต่ละตัวเนี่ยจะแสดงอนัตตาทั้งหมดเลยไม่มีตัวเราตรงไหนไม่มีตัวตนตรงไหนเลยนะตอนนี้ขันมันแยกเป็นแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายมันก็ทํางานไปไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ทํางานของความสุขความทุกข์กิเลสปุสสนก็ทํางานของมันไปนะใจก็ทํางานเป็นคนดูไป ฝึกฝืนอย่างนั้นเรื่อยๆนะที่ฝึกมาเนี่ยใช้ได้นะไปทำต่อค่ะนวัตการค่ะหลวงพ่อคือปัญหาของหนูคื อ, อ, อบางช่วงท่ามีสมาธิก็จะรู้สึกว่ามีสติรู้กายรู้ใจแต่ปัญหาคือเวลาหลงมันก็จะหลงไปเลยเหมือนกับคนละคนกันเลยอะค่ะ mm hmm. หนูก็จะใช้วิหารธรรมแก้ตัวเองโดยการพยายามจเจริญเมตตาเช่น ท่องไม่แน่ใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์พยายามพยายามบอกตัวเองให้ท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าถ้ารู้สึกบุ๊คว่ามันหลุดจากคํานี้ก็คือก็คือหลงไปนานแล้วถูกพอได้ไหมคะได้พอได้คือให้มันมีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งคร่ะนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตมีเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตนะถ้าไม่ทิ้งหลักนี้ก็ใช้ได้หมดค่ะแล้วเวลารู้ทันจิตเนะะี่ยค่ะบางทีมันไปพ้นพบความไม่พอใจว่า มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดทำไมเราคิดว่าเราดีแต่ว่าจริงๆพอไปดูแล้วมันเจอแต่ความไม่ค่อยดีของจิตอย่างเงี้ยบางครั้งมันจะรู้สึกไม่พอใจ <laughs> ไม่อยากดูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเรดูดูให้มากนะการที่เราเห็นว่าตัวเองมีกิเลสเนี่ยดีกว่ามีกิเลสแล้วไม่เห็นกิเลสนี่ยังไงก็มีนะแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเาไม่เคยฝึกกรรมฐาน เขามีกิเลสแต่เขาไม่เห็นว่าเขามีเขาคิดว่ากูดีกูแน่กูเก่งเห็นไหมกูถูกคนเดียวนั่นจะเป็นอย่างนั้นโลกถึงได้วุ่นวายมาก น, นเราก็เข้ามารู้ทันเราการที่เรารู้ทันกิเลสในจิตของเราได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยนะเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยมีเรื่องกับเขาน้อยลงหรอกโอเขาทําอย่างนี้ก็เพราะกิเลสมอก่อนเราก็มีกิเลสอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้รู้ทันแล้วนะถ้ารู้ไม่ทันเมื่อไหร่มันก็ครอบเอาเมือนั้นแนหะ ค่ะก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใช่ะเขาหนูถ้าเพิ่มกรรมฐานบางอย่างเข้าไปด้วยก็จะดีนะลําพังแผ่เมตตาอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะไม่ไหวจิตมันฟุ้งเก่งนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยบริกรรมไปอะไรไปก็ได้ไพุทโธพุทโธนะถึงไม่รู้สึกว่าพุทโธก็ท่องไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเออท่องท่องไปพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วใจมีความสุขก็รู้พุทโธพุทโธใจมีความทุกข์ก็รู้อะไรอย่างเงี้ย ฝึกตัวนี้ให้ให้มันเชี่ยวชาญก่อนปัญหาของหนูเนี่ยคือจิตมันฟุ้งมากนะส่วนการทํากรรมฐานที่เหมาะก็คือรู้ลมหายใจหรือบริกรรมอะไรเงี้ยนะเขาเหมาะกับจิตที่ฟุ้งมากเบางทีลมหายใจไม่เกิน10บสทีก็ไปแล้วต้องช่วยมันบริกรรมนะเพื่อมันบริกรรมเข้าไปด้วยหายใจเข้าพูทหายใจออกโทอะไรเงี้ยนะคคุณือปัญหาหลักเนี่ยอยู่ที่จิตฟุ้งสั้น เพราะงั้นอยู่ๆจะไปทํากรรมฐานเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้แก้จิตฟุ้งซ่านโดยตรงนะเจริญเมตตามแก้จิตชี้โมโหนะมันจะมุ่งไปที่จิตมีโทสะมากไปจิตที่ฟุ้งซ่านเพราะงั้นตอนนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้ลมบ้างพุโทโธไปบริกรรมไปอะไรเงี้ยนะขอบพระคุณค่ะหรือถ้าฟุ้งมากดูกายไปเลยเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้แค่ลมหายใจไม่พอรู้มันทั้งตัวเลย รู้อีเลีย บ, บทรู้อีแลียบทย่อยกระดุกกระดิกรู้สึกรู้สึกนะพยายามรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆยังไงก็ไม่เพ่งใช่ไหมคะท่านอย่างนี้รู้สึกไปทั้งตัวยังไงก็ไม่ติดเพง่งใช่ไมครัไม่ติดให้เราจิตมันฟุ้งเก่ง <laughs> นะพยายามรู้สึกร่างกายไว้อะนะแล้วก็พอจิตมันสงบแล้วต่อไปก็ค่อยไปเจริญเมตตาก็ได้เขาพักคุณค่ะต้องกินยาให้ถูกขนาดก่อนกราบน้ำสการเจ้าค่ะ ลูกใช้กายเคลื่อนไหวใจคนดูนะคะจิตนิ่งมีความสุขเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งใจหลายไปคิดกิเลสเกิดก็รู้ค่ะส่งกันบ้าน2เดือนที่แล้วลูกจับตรงกลางหน้าอกไว้นะคะหลวงพ่อบอกว่าจงใจแยกตัวดูแล้วก็ทําสมาธิติดเบอร์ออกมาให้เพิ่ Euros มสติค่ะปัจจุบันลูกปฏิบัติจิตตั้งมั่นตรงตามที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าคะตอนนี้คุยกับหลวงพ่อมันก็จะเกินจริงนิดหนึ่งนะเป็นธรรมชาติแต่ดีกว่าเขาก่อนแล ค่ะอพอดีมีอยู่วันหนึ่งค่ะลูกเห็นขาเป็นท่อนๆสีดำปนแดงเหมือนถูกไฟไหม้อะค่ะรู้สึกลังเกียดแล้วก็กลัวลูกก็เลยมาคิดว่าเกิดจากที่เรานั่งสมาธิพอนั่งไปเกือบชั่วโมงก็รู้สึกเบื่อเบื่อก็ลองเผาผมขนเล็บฟันหนังดูอะค่ะเหลือจิต ด, ดวงเดียวอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าที่เห็นนี้จริงหรือว่าคิดไปเองมันเป็นนิมิตนะอย่างถ้าเราพิจารณากายบางทีเราคิดเผาันเลยนะ บางท่านเขาใช้วิธีฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกมันไปนะสุดท้ายมันจะสลายไปเหลือได้จิตอันเดียวพอมีจิตอันเดียวแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะตรงที่พิจารณ์กายเผากายอะไรเนี้ยเป็นอุบายเท่านั้นเองพอเหลือจิตดวงเดียวเป็นสมาธิเต็มที่แล้วพอจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายขึ้นมาใหม่เนี้ยมันจะรู้สึกซาบซึ้งถึงใจหรือว่าร่างกายกับจิตเนี้ยคนละอันกันนะร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันกันมันจะเห็นชัด มากกว่าคนทั่วๆไปแแยกขันได้ดีค่ะแล้วออลูกควรทำอีกหรือเปล่าครับทำได้ก็ทำไม่ได้เสียหายอะไรออลูกมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขมันยังคิดนำไปเยอะไปนะอย่าไปคิดนำมันค่อยๆภาวนาไปนะอย่าไปคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอบคุณการนมัสการหลวงพ่อค่ะ คือห น, หนูมาส่งกันบ้านค่ะหลังจากที่ส่งครั้งแรงเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวโทสะแล้วก็จิตยังไม่เป็นกลางจิตจิตยังเกลียดทุกข์แล้วก็มีความจงใจหนูก็ปฏิบัติมาหนูก็เห็นความอยากปฏิบัติแล้วแล้วก็มันมันเป็นโทษมากทีนี้สภาวัดโดยรวมเป็นความสรุปรวมย่อตอนนี้ก็คือเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ เห็นเริ่มเริ่มรู้สึกว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราและจิตก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันยังไม่ยอมรับมันยังแบบว่ามีความหวั่นไหวความเสียใจอยู่อะค่ะมันเป็นทางผ่านนะคือพอเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยจิตเนี่ยมันรักมันหวงแหนขันมานานนะพอมนเริ่มเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราบังคับไม่ได้นะเป็นของชั่วคราวอะไรเนี่ยมันหวั่นไหว เป็นทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวให้รู้ทันว่ามันวันไหวอย่าให้ความหวันไหวครอบงําจิตดูมันเหมือนเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นแหละเหมือนความโลบความเกิดความลงอื่นๆนั่นแหละพอมันไม่ครอบงําจิตแล้วก็ภาคเพลียนดูต่อไปจนถึงวันหนึ่งจิตมันค่อยยอมรับตอนนี้จิตมันรักกายมากพอมันเห็นกายไม่ใช่เรากครผิดความคาดหวังมันทนไม่ไหวก็ต้องทนเอานะค่อยๆดูไปเรื่อยสุดท้ายมันจะไม่หวง่ะ ว่าไมรู้ไม่ใช่ของดีจริงๆตอนนี้มันยังเสียดายเอ้นี่ของดีของเราตัวที่ปล่อยยากที่สุดคือจิตนะถ้าปล่อยตัวนั้นได้ก็หมดละแล้วหนูไม่ไม่ทราบว่าหนูเห็นถูกหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าอย่างอย่างตอนที่มาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชอบชอบตัวลุงกินน้ําก็เห็นแล้วพอนี้หนูเห็นว่ามันเป็นมันเป็นความคิดอันหนึ่งแล้วมันอะไรว่างๆอันหนึ่งแล้วมันเป็นความชอบอันหนึ่งจอบถูกเลย ค่ ะ, ะส่วนตัวมานะอัตตานี่เราก็ดูเหมือนตัวอื่นคือมันเกิดดับเกิดดับเหมือน<ช>เหมือนกันเหมือนกันหมดนะดูอย่างนั้นนะจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมหนูว่ามันตื่นเต้นเกินไปแล้วมันแบบว่าเหมือนตะกี้มันอะไรออกไปทางเนี้ยคะ่ะนะมันกระจายออกข้างนอกถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาแล้วรู้ทันมันแล้วค่ะ ส่วนกรรมใดๆที่หนูได้ล่วงเกินต่อหลวงพ่อแล้วก็พระรัตนไตหนูขอเข้ามาด้วยนะคะเอาสิขอพระรัตนไตรและหลวงพ่อสิต้องยกพระ้าไว้ก่อนนะเออนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะการน้ำสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมาสี่ปีแล้วค่ะไม่ทราบ แต่แต่เห็นถึงความเปลี่ย น, ป น, นแปลงมากเลยค่ะนั่นแหละดีมากเลยแล้วไม่ทราบมีอะไรที่องค์พ่อช่วยทำไปด้ว ย, <ล>ยนะทำไปตลอดชีวิตแหละนะถ้ามันเต็มมันพอเมื่อไหร่ก็เกิดมากเกิดผลไปถ้าว่ามันยังไม่เต็มไม่พอต้องไปต่อชาติน่ามันก็ต่อง่ายไปง่ายไม่ยากแล้วเรามีสติมีศีลมีธรรมอะไรอย่างนี้นะเราไม่ต้องกลัวตกต่ำหรอกมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆ เรารักษาไว้ค่ะแล้วแล้วที่โยมปฏิบัติอยู่นี้มีอะไรที่หลวงพอ่อช่วยชี้นแนะโยม <ทำ S 2> ด้วยนะคะทำไปเองทำไปทําไปธรรมดานี่แหละนะ<ท>ไม่ต้องไปเร่งอะไรหรอกที่ทําถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วนมันพอดีพอดีแล้วละ่ะอย่งแต่ทําสม่สมําเสมอเท่านั้นค่ะโยมโยมก็ทําสม่ําเสมออยู่เพราะรู้ว่ า, วาเวลาเหลือน้อยเออนะเจที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเร่งอ่ะ ก็ราะโยกไปคิดว่าเวลาน้อยอ่ะเดี๋ยวจะรีบลุกลี้ลุกลอนอ่ะมันจะไม่ได้อะไระะเราได้แค่ไหนแค่นั้นคิดไแค่นี้พอละเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดในชีวิตเราแล้วเราพอใจละส่วนจะได้มักได้ผลอะไรมันผลพลอยได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะปฏิบัติโอ้จะทันไม่ทันจะได้โสดาไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้จะไม่ได้ง <c oughs> <c oughs> ั้นอย่าไปคิดมันอย่างน้อยที่สุดได้ปลอดภัยปลอดภัย <c oughs> อย่างตอนนี้ถ้าฝันร้ายสติก็ะรกละลึกมัแจะระลึกได้เองเวลาเจ็บเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรนะจิตมันจะดีดออกมาเป็นตัวดูได้เองเลยอัตโนมัติอนะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกแล้วไม่ที่ยอมทำอยู่ก็ไม่ต้องแก้ไขคือทำ อ, อย่างเดิม <ทำ S 2> ใช่ไหมคะทำถูกแล้วลนะ่ะขอหลวงมาค่ะกราบมาสการหลวงพ่อครับ ส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีอะครับก็เป็นไปค่อนข้างรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกตัวน้อยอยู่ครับก็ดีให้มันมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะน ะ, ะแต่อย่าส่งไว้แค่นี้น ะ, ะ, ะดีก็ต้องดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่ ส, ร, สรรเสริญความดีที่อยู่กับทีนะ่วันนี้สติเกิดได้ชั่วโมงละร้อยครั้งอะไรเงี้ยต่อไปแล้วได้200อยสาม้อยนะ ต่อไปนาทีหนึ่งเกิดเยอะแยะเลยค่อยๆฝึกไปอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการปฏิบัติใจคิดถึงการปฏิบัติคเคล้าเคลียอยู่การปฏิบัติเนี้ยมันจะพัฒนาไปเร็วแต่ไม่ให้ได้หมกมุ่นนะหมกมุ่นเนี่ยมันอยากได้ผลถ้าใจมันพอใจที่จะปฏิบัตินะสติคอยระลึกรู้อะไรเงี้ยคเคล้าเคลียอยู่การปฏิบัติไม่หลงโลก อย่า น, นี้การถอนน้ำจะรับเรื่นไปได้เร็วหลงโรคไหมมีหลงเยอะเหมือนกันค่ะโหนะให้ลดลงหน่อยตรงเนี้ยข อ, ของผมนี่ต้องใช้ปัญญานาสมาธิหรือต้องทําสมาธิก่อนแล้วนำปัญญาทําสมาธิ ย, าย่ามจะไปเพ่งนะใช้ปัญญานำนั่นแหละแต่ว่าปัญญาก็ต้องมีสมาธิสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือดูกายดูจิตไปครบคู่กันใชมน่มันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็น เมื่อไรดูจิตได้ดูจิตเมื่อไร่ดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเมื่อไรดูจิตไม่ได้ดูไกายไม่ได้แนละ้วทําทความสงบไปพุโทโธไปอะไรไ ป, ไไปมีคําถามเกี่ยวกับการฟังธรรมครับการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทําบุญกุศล น, นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเวลามาฟังธรรมโดยเฉพาะคอนบู๋มากอย่างเนี้ยครับจะมีอกุศลด้วยครับคือพอฟังไปแล้วมันจะรู้สึกแบบว่ า, วาเออใช่อันเนี้ยถูกอะไรพวกเนี้ยครับ บ่อยมากจนกระทั่งหายไปช่วงหนึ่งครับคือเรียกว่าหนีก็ได้ครับคือจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่มาล้วสัะอย่างเงี้ยครับความคิดนี้ถูกหรือว่าควรจัดการยังไงครับอย่าไปเชื่อมันนะมันมันหลอกแล้วต้องฟังล้วเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะการที่ได้ฟังธรรมการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลแล้วนะการได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลล้ เรื่องอะไรเราจะทิ้งสิ่งที่เป็นมงคลเพราะความคิดเห็นของเราเองล่ะไม่ชอบเหรอไม่ชอบมาบ่อยๆแล้ว <c oughs> ไม่ชอบแล้วหนีแล้วเก็เสร็จเลยสู้กิเลสไม่ไหวนะกลายเป็นภาวนาแล้วก็เข้าธรรมภาวนาแล้วหลบหลีกถดถอยภาวนาแล้วต้องอยู่กับโลกได้แล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างรู้ทันด้วยไม่ใช่ภาวนาแล้วหนีนะ อย่างพระนะแล้วภานาหนีโรคแล้วครูบาอาจารย์ไล่ออกไปทดลองเลยนะสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะมีพระในพรรษาเนี่ยท่านอยู่ในป่าพอพรรษานะครูบาอาจารย์ไล่มาเข้ามากรุงเทพเลยมาเจอหลวงพ่อเดยถามท่านว่าเป็นไงสอบได้หรือสอบตกสอบตก <c oughs> อยู่ในป่านะั่งจิตสงบมิแบ่งอยู่คนเดียวสบายนึกว่าแน่นะพอเข้าเมืองมาโอผู oh, ้หญิงทำไมมันสวยกว่าเมื่อก่อน ก็ที่อยู่ที่ผ่านมาเห็นแต่ลิงอ่ะมาเห็นผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดจะตายก็รู้สึกสวยแล้วล่ะนะงั้นอย่าพยายามนาจนถดถอยนะไม่หนีของผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับต้องทำทาสมาธิได้ก็ทำนะฟุ้งไปหน่อยเพราะงั้นทุกวันน่ะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ต้องมีเครื่องอยู่นะ งั้นใจมันจะมีแรงไม่พอมันฟุ้งไปแล้วการอยู่กับเครื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งนะอย่าไปบังคับจิตนะแค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านก็ใช้ได้แล้วดีกว่าไปบังคับให้จิตนิ่งให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านดีกว่ารู้ว่าไปบังคับให้จิตนิ่งจิตสงสัยไหมสงสัยครับเนี่ยต้แค่รู้ว่าสงสัยก็แค่นี้เอง สังเกตไหมตรงที่รู้ทันสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นสดๆร้อน ๆ, นอนๆนะจิตมีความสงบเกิดขึ้นอัตโนมัติอยู่ช่วขณะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามรู้ไปอย่างนี้ร่างกายกระดุกกระดิกสติรู้แต่ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งเนี้ยจิตจะแน่นเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เจตนาจะรู้นะเราะระลึกขึ้นมาอย่างกําลังอยากยากระพูดแล้วเห็นความอยากผุดขึ้นมาปุ๊บจิตจะพอดีเป๊ะเลยจะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งที่พอดีแต่ห้ามหานะถ้าหาเจอแล้วก็ห้ามรักษา กรกรมนวัตกรรค่ะโยมหายจากสมาธิปกดจิตให้นิ่งแล้วใช่ไหมคะใช่และพอต้นปีมาเนี่ยโยมก็เห็นสภาวะหลายอย่างเลยแล้วเมื่อวันอังคารวันอังคารที่สิบห้าสิบหกเมษายนเนี่ยหมาโยมตายโยมก็น้ำตาไหลแล้วมันบังคับไม่ได้ขนาดพ่อตายโยมยังไม่ร้องไห้เลย <laughs> แล้วแล้วโยมก็เลยมันน้ําตามันไหลเองมันเป็นสังขาร่างกายมันอัตโนมัติใช่ไหมคะมันเป็นจิตเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะมันมาจากจิตค่ะจิตมันจะเศร้ามันจะร้องไห้อะไห้ามไม่ได้หรือบางทีมันปีติมันก็ร้องไห้ได้นะค่ะใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ปีติที่ท่านอนุญาตให้มาใกล้ชิตอย่างเงี้ยโยมก็เกิดปีติก็น้ําตาซึมๆเลยค่ะก็ปีติให้รู้เอา นี่ของโยมกลับข้างกับมีโยมไปที่วัดเมื่อสองสาม์ันนี้ของโยมหมาตายแล้วน้ําตาไหลของคนนั้นน้ำหมาหมาตายน้ําตาไม่ไหลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจไม้ไส้ละกราโอคิดมากไปน้ําตาจะไหลจะไม่ไหลแล้ว ก, ก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละค่ะของโยมตอนเช้ามาก็น้ำตาผก็ไหลเองพ อ, พอนั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมบัณเช้าแล้วนั่งสมาธิ แล้วตอนนี้มันก็หยุดไหลเลยค่ะก็เดิไปนาะจิตมันมีปีติอะไรขึ้นมาก็รู้เอาค่ะแล้วแล้วเมื่อวันที่ยี่ห้ายี่เนี่ยโยมก็เห็นจิตเล่าร้อนอ ย, อ, อยากจะไปบอกอยากจะไปบอกคนว่าว่าเขาทาผิดอะไรเงี้ยแล้วแล้วโยมก็ก็ยังไม่ทันจะบอกมันก็มีเหตุมาเตือนโยมโยมกไ็ไม่ได้บอกพอวันลุงขึ้น โยมถึงได้รู้ว่าโอ้ทั้งหมดนั่นน่ะโยมคิดผิดหมดเลยนะคะแล้วโยมก็เลยเห็นว่าเออเรานี่นะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองอย่างแรงๆอย่างที่ท่านบอกจริงๆแล้วก็เห็นว่ากูถูกอันนี้บอกมานานแล้วนะใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเห็นชัดอเมื่อวันที่ยี่ส้ายี่บหกนี่เองเลยค่ะแล้วก็เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเข้ามาในรูปแบบของของความปรารถนาดี โชคดีที่โยมไม่ได้พูดออกไปโยมรู้ความจริงซะก่อนนะคะโยมกลับขอบพระคุณนะคะที่ท่านชี้แนะชี้นะให้ให้โยมว่าโยมเอาสมาธิปิกกดเพราะเมื่อก่อนนี้โยมไม่ทราบเลยขนาดตอนวัยรุ่นน่ะใครมาชมว่าโยมสวยเนี่ยโยมก็ยังงงงโยมก็แบบไม่รู้สึกอะไรโยมเพิ่งรู้เพิ่งเพิ่งมาเข้าใจว่า ออที่โยมไม่รู้สึกอะไรนะเพราะโยมเอาสมาธิไปกดจิตไว้ตั้งแต่สมัยดึกดําบันเออดีใช่ไหมคะใช่ใ่เออต้งอย่างนี้เห็นไหมจิตมันล่าเริงมันเบิกบานมันเคลื่อนไหวเห็นไหมค่ะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองนี่แหละอย่างนี้ถึงจะดีอต่อไปเดี๋ยวถามอีกอันนึ่งโยมนั่งสมาธิน่ะโยมนั่งปุ๊บก็เห็นแสงปั๊บแล้วพอ พอเวลาจอดสักสมาธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะต้องบอกว่าค่อยๆถอนออกจากสมาธิแต่โยมไม่เคยไม่เคยทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าโยมอยู่ดีๆโยมก็เข้าอยู่ดีโยมก็ออกอย่างเงี้ยอย่างนี้โยมเข้าชานหรือเปล่าคะมันก็เข้าได้นะแต่ว่าคือเวลาสอนถ้าคนหมู่มากใช่ไหมสอนให้เข้าให้ทรงอยู่ให้ออกอะไรเนี้ยแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ของเรามันเข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยนึกจะเข้ามันก็เข้านึกจะออกมันก็ออกไปนั่งเรียนรวมกับเขาเองอ่ะใช่ค่ะนะมันทำให้โยมสงสัยมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เรียนครั้งแรกโยมก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าเวลาจะมองเข้าไปข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามองไปข้างในเห็นดวงเห็นอะไรโยมก็เห็นโลงๆอ่ะค่ะเออโล่งๆก็เอาเพราะหลวงพ่อเราไม่ให้พลาดพิงสำนักอื่นอ่ะ ขออภัยค่ะเขาก็ดีเหมือนได้นะมันก็เป็นนิมิตอันนึ่งนะไม่ใช้นิมิตพระพุทธรูปนิมิต ด, ดวงแก้วก็เป็นนิมิตนะตหลักก็หลักเดียวกันนะในขั้นทำสมถะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็วางใจให้สบายเห็นก็เน้นที่สบายก็ได้สมาธิก็ถูกแหลนะส่วนขั้นเจริญปัญญาก็ต้องมาทาสติปัฏฐานทาอะไรไป กับนอส ก, กาลหลวงพ่อค่ ะ, ะช่วงช่วงนี้ภาวนาไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตมันเป็นทุกข์พอจิตเป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้สมาธิบางทีมันไม่ค่อยเกิดพอไม่เกิดเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งบอกว่าเอ๊ะพยายามจะสอนจิตพอจะเข้าไปสอนจิตเนี่ยจิตอีกก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแบบไปแทรกแซงจิตหรือเปล่าก็คือ mm hmm. ก็เลยกลับมาแค่ดูเฉยๆพอดูเฉยๆมันก็ทุกข์อีกก็เลยมานเนทีนึงว่า จิตเองเนี่ยมันมีธาตุรู้สิ่งที่เราจะทําก็คือทําให้จิตมันรู้ว่าจริงๆแล้วจิตมันประพัฒสอนอยู่แล้วของมันแต่พอพอจะสอนมันก็จะถูกคําว่าคําว่าแทรกแซงเข้าไปก็เลยมองว่าเอ๊ะมันสิ่งที่ควรจะทําต่อไปก็คือมองว่าจิตก็เหมือนเพื่อนบ้านของเราคือเราก็สอนเขาได้บ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือทําให้เขากลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยเป็นคือเหมือนกับเ ข, เขาเรียกเหมือนกับว่าแบบ ให้เขารู้ด้วยตัวของเขาเองอ ย, าย่าคิดเยอะนะเดีไปเช <laughs> ื่อเราไม่ได้ไปคิดว่าเราจะทํำยังไงกับจิตหรอกเอาแค่ว่าจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปคิดว่าจะทําอะไรกับเขาต้องไปสอนเขาเขาจะได้ดีเร็วๆหรือว่าอย่าไปสอนดีอะไรย่างนี้ไม่จําเป็นหรอกเขาเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแค่นั้นพอแล้วละ่ะ แต่พอรู้รู้แค่รู้อย่างเดียวมันเหมือนกับมันทุกไปเรื่อยๆพอทุกไปเรื่อยๆมันมันมันกลายเป็นว่ามันมันไม่ไม่ทุกไปอย่างเดียวหรอกเพราะใจมันทุกใช่ไหมมันมีความไม่ชอบแทรกเข้ามาเนี่ยใจเรามีความไม่ชอบให้เรามีสติรู้ว่ามันไม่ชอบเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วจิตทีแรกไปเบียดขาจิตตอนนี้มีโทสะไม่ชอบอะไรเงี้ยเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆจะหลบจะหลีกเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรหรอก นะอย่างเวลาจิตกิเลสรุนแรงมากสู้ไม่ไหวครูบาอาจารย์บางทีก็หนีนะ<ม>ก็ต้องหนีเหมือนกันเอาตัวรอดเป็นคราวๆไปก่อน<ม>อย่างทุ ด, ดงไปเจอผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยสู้ไม่ไหวแล้วละ่ละเดี๋ยวจะศึกแล้วท่านก็ย้ายที่ไปหนีไป<ม>นะแล้วก็พักพักหลังนี้ก็คือมานั่งพักหลังก็รู้สึกว่าตัวเองนวจิต จะตั้งมั่นได้เยอะขึ้นเนื่องจากว่าฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิทุก15นาที mm hmm. ก็พยายามจะนั่งพอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูลมหายใจพอดูลมมันก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ฟังอีกครั้งนึ่ก็บอกให้นั่ง20นาทีก็เพิ่มอีก5นาทีรู้สึกมันจะเริ่มทุกข์อึดอดัดกว่าจะถึง20มันก็ไม่ mm hmm. มันก็ไม่ไหวเมวื่อวานฟังซีดีหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าให้นั่งสมาธิโดยให้จิตเป็นสุขมันจะได้นั่งได้นาน mm hmm. ก็พอดีนั่งงงเอทํางยไงให้จิตป็นสุข ก็พอดีคิดว่าเออฟังสซีดีหลงพอแล้วเออจิตมันก็สุกมันก็นิ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนั่งนั่งสมาธิไปจะฟังซีดีไปได้ใช่ไหมคะได้แต่มันจะไม่เข้าอปนาง่ายนะแต่ว่าถ้าจิตมันรวมจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้ยินมันจะตัดหูออกไปเองนะจะไม่ได้ยินเสียงมันมันไม่ใช่การที่มันเขาเรียกเหมือนแบบมันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่แบบมันจะ ไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อแต่มันมันคือมันมันคล้ายๆจะหลับหรือว่ายังไง ม, มันจะไม่เหมือนหลับทีเดียวนะยังมีความรู้สึกตัวแทรกอยู่แต่บางทีร่างกายหายไปเลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวนิดๆเนี่ยนะจิตมันมีสมาธิขึ้นมาเหมือนกันแล้วปะกี้ฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าเขามาเจริญปัญญาไม่ไม่เข้าใจนะคะก็ดูกายดูใจตามความเป็นจริงนั่นแหละนะนะนะคือไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆ ถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆนยีไม่บรรลุมรกผลหรอกพอเรารู้ตัวเป็นแล้วนะก็ดูกายดูใจเขาทํางานแต่ดูด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่อินเข้าไปเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูไปแล้วเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกอย่างนั้นเรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆทําสมาธิเสร็จออกจากสมาธิรู้ตัวอยู่เฉยรู้ทั้งวันเลยนะอย่างนั้นไม่ได้นะมันจะไม่เดินปัญญาหมายถึงว่า ให้รู้ตัวแล้วก็จะดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจเราถลําลงไปเรารู้ทันใจเราหนีพิคิดเรารู้ทันขอบคุณมากค่ะนมาส ก, การค่ะหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติในชีวิตประจาวันแล้วก็เจริญในรูปแบบด้วยค่ะก็คือจิตตัวเองเนี่ยฟุ้งมาก บางครั้งทําในรูปแบบแล้วมันไม่ลงง่ายๆอะค่ะพอเริ่มจะสงบปุ๊บมันก็เด้งออกกระจายออกเนี่ยหนู<ด>คยรู้ทันจิตที่มันมีโทสะไวนะ้จิตที่มันหงุดหงิดลาคาญเวลาความหงุดหงิดลาคาลเกิดขึ้นนะรีบรู้ไวๆมันดับไปแล้วใจก็สบายที ใ, ใจสบายเดี๋ยวก็สงบง่ายอย่างนี้ควรจะเพิ่มอะไรไหมคะถ้าอาศัยสติรู้ทันจิตนะ ถ้าจิตเราหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันนะขอบคุณค่ะกับนับประการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัตินะครับตอนแรกก็ภาวนาพุทโธต่อไปพอสักคู่หนึ่งพอติดรวมก็มาพิจนากายนะครับได้แยกกายแยกธาตุแยกกรรมฐานออกเป็น สามกองนะครับอออือีกกองหนึ่งเป็นธาตุดินกองหนึ่งเป็นธาตุไฟอกองกลางก็เป็นธาตุน้ำนะครับพิจารณาแยกกายออกทั้งหมดก็ทาําพิจารณานี้ต่อเนื่องนะครับสามวันสามคืนตั้งจิตไว้ว่าจะทําให้นต่อเนื่องกันโดยไม่คิดว่าจะหลับจะนอนอะไรอย่างนี้จะหลับไปก็ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่คิดถึงความหลับ แล้วก็พิจารณาไปสรุปก็คือจิตมันก็กาหนึ่งจิตมันก็จะรวมครับกายก็กายเราเนี้ยก็ดับไปหมดฮะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอ่ะแล้วก็จะยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ครับอจิตให้นิ่งอยู่พ็นิ่งอยู่เราก็มันมีนิมิตอะไรขึ้นมาเราก็ใช้ พระไตรักษ์เนี่ยพิจารณานะครับ mm hmm. คือใช้ว่ารูปนี้ถ้าถ้ามีเป็นรูปผ่านไปเราก็พิจารณาว่ารูปปังพนิจจังรูปปังพรนิจจัง mm hmm. อะไรที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะหายวั บ, วบไป mm hmm. มันจะมีจิตดวงหนึ่งนะครับที่มันมันเด่นต่างาขึ้นมานะเป็นจิตคล้ายๆกับอันนี้จิตที่ตั้งมั่นหรืออะไรที่นน ห, หน้าหน้าปกที่อันนี้มันจะมีรูป เป็นดวงนะครับดวงเด่นขึ้นมาอืมนะครับผมก็ภาวนาไปนั้นจิตดวงนี้ก็ไม่ไปฮะจะอยู่ช่วงแวบหนึ่งแล้วก็ตั่งอยู่แล้วก็หายไปจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตดวงนี้คืออะไรตัวจิตผู้รู้แหละครับนะก็จิตผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยต่อไปเวลาโยมอยู่ในชีวิตธรรมดานี่นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอ น, นอะไรก็ตามเหอะ เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเราอยู่ต่างหากเราเป็นแค่คนดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายที่ไหลผ่านใจเราก็เป็นสิ่งที่จิตนี่ไปรู้ไปดูเข้าไม่ใช่ตัวเราอีกนะตัวรู้เองเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับได้ด้วยนะตัวรู้ก็ไม่ได้คงที่เห็นแต่ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะวิธีที่ยมทําก็ใช้ได้นะที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อย ทำเอกทำเอกจิตตัวนี้เป็นเป็นทำเอกหรือเปล่าหรือยังไงเป็นทำเอกใช่หรือเปล่าหรือยังไงครับหลวงพ่อเจ้ออธิบายมันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงไม่ใช่ใช่ไหแต่ว่าอาศัยทางนี้ไปมันจะว่างนะครับว่างอันนี้เป็นตัวนี้ยังไม่ถึงเนายไม่ใช่เป็นกล้ายๆธรรมจักอย่างนั้นขึ้นแดงดวงเด่นขึ้นมายังมีขอบมีเขตมีรูปร่างนะมีแสงมีสีอะไรเนี่ยนะ ยังยังไม่ใช่ตัวธรรมแท้ๆขา้ามขึ้นไปับเหาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามวายโตตินังเปตานังอุปกะ ป, ะปะติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันระโสยธถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตูสัพพโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาป จ, จายิโนจะตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาทุ พอนานนะเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่า น, นี้นะ